ก็โดนครั้งแรกเลยนะครับไม่เคยโดนเฟซบุ๊กบล็อกเลยนี่เป็นครั้งแรกเป็นความเข้าใจผิดไม่มีเจตนาอันนี้เป็นกระตาตากรรมนะนะครับกรรมสตวธรรมไม่มีเจตนาแชร์นะอาจารย์ส่งก็ส่งพผุ่์กล่องข้อความได้นะเป็นส่วนตัวนะครับไม่ย่าพี่น้องตัวเองแล้วก็หัวเราะกันคิก ค, ค, คักได้แค่สองคนแค่นั้นเองครับก็บล็อกเลยอือพวกเราก็ดูไว้นะครับก็ค่อนข้างต้องขอบคุณเขาหน้านที่เข้าช่วยรักษา ระเบียบวินัยช่วยรักษาสินธรรมอะไรค่อนข้างดีเลยนะครับยางไรก็ตามนะครับสามวันที่จะไม่ได้เจอผมนี่ก็เป็นนิมิตใหม่ดีเนาะที่ให้พวกเราไปทำแบบฝึกหัดฐานกายฐานคิดแล้วก็ฐานใจที่ได้นำเสนอพวกเราไปใน a c e b o o k นะครับพวกเร า, าสามารถเข้าไปดูไลฟ์ต่างๆได้อยู่นะครับมีถึง6คลิปด้ยวยกันแล้วในกลุ่ม f a c e b o o k นั้นนะครับแล้วก็ลองๆไล่ลลดูตั้งแต่คลิป0คลิป1คลิป2คลิป 2.1 ง คลิปสามคลิปสี่นะครับมีทั้งหมด6คลิปด้วยกันลองลองดูแล้วก็ทำความเข้าใจจากแรกนะครับคลิปแรกๆนะครับของวันนก่อนมาจนกระทั่งคลิปปัจจุบันแล้วลองปฏิบัติดูอย่างง่ายๆนะปฏิบัติไปก่อนนะครับลองดูนะทำตามวิธีธรรมชาติา ง, ง่ายๆแบบนั้นดูแล้วสังเกตที่ใจของตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ